มันเจ็บความปวดก็เหมือนกันนะมีทุกคนนี่นแหละแต่ให้มีความอดความทนบ้างเผื่อเจ้าของนะหรอไม่เผื่อใครอนะเราบวชเข้ามาแล้วมันเปนหน้างคุยกันสูบบุหรี่นนะอนหรนนมั น, นคือในกำหนดดูมันเห็นมันเดินอยู่ พอลงไปถอนจิตออกมาลงไปเจอจริงๆอถึงว่ามันปันนจจัของเราเพื่อให้มันเข้าตามกำลองของคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าการภาวนากำหนดให้รู้แต่งลมเส้ยก่อนให้มันรู้ปล่อยไปตามสบาย <c oughs> อย่าไปกดอย่าไปบ <c oughs> ังคับมัน ถ้าบังคับมันดิน้นเออปล่อยให้สบายสบาย <c oughs> กับลมและกับคำวลิกรรมของเราคยเคยใช้บทไหนแล้วเอาบทนั้นนั่นแหละมาเป็นคำวลิกรรมเราเอาบทไหนก็เอาบทนั้นอย่าไปเปลี่ยนอย่าไปนั่นอยู่เรื่อยเออเพราะจิตของเรามันดัดยากเออ มันยากก็ไม่เหลือวิสัยหรอกถ้างั้นพระพุทธเจ้าก็ท่านไม่สามารถประพฤติปฏิบัติไม่สามารถบรรลุอนุตตร ส, มมสัมมาสัมปทาญาได้อย่างพระสาวกก็เหมือนกันก็ไม่มีให้ได้กรับได้ไวหว้มันก็ทําได้ทุกคนนั่นแหละเอออยู่ที่ช้าหรือเร็วอยู่ที่ความขยันความอดขั้นความอดทนของเราถ้าเรามีความอดทนความอดกั้น ควขยันมันเพี้ยนการประพฤติปฏิบัติก็เร็วเข้าอืมมันกะสั้นเข้ามาถ้าเราขี้เกียจขี้ค้านมันกะยาวเออท่านจึงว่ามักมักมักยาวให้บัน่นมักตั้นให้ต่อเออบั่นเข้ามาบั่นคุณงามความชัวนะ่วนั่นแหละบั่นเข้ามาตัดเข้ามาตัดเข้ามาเรื่อยๆแล้วตัดวัฏฏะสงสารนั่นแหละมันกะสั้นเข้ามาเรื่อยๆเขมาเรื่อยๆ ม, มักยาวให้บั่นมักตั้นให้ต่อต่อกับต่ อ, ตอไม้ต้องก็บทำทําคมชั่วนั่นแหละเออมันก็ยาวไปเรื่อยๆแล้วไม่มีทางที่สิ้นสุดถ้าเราตั้งใจว่าพืชปฏิบัติมันก็มีทางสิ้นสุดได้มันไม่เหมือนงานทางโลกงานทางโลกนี่ไม่มีทางที่สิ้นสุดเรียนวิชาทางโลกไม่มีทางที่สิ้นสุดถ้า ว, วิชาทางธรรมเนี่ยมันมีทางที่สิ้นสุดถ้าเราว่าพืชปฏิบัติ มันสําเร็จได้เป็นได้อย่างเอาสิ่งที่เราไม่รู้เราก็รู้สิ่งที่เราไม่เห็นเราก็เห็นเออการภาวนาอย่างเราแต่ก่อนเราไม่เคยนั่งนั่งก็เพรียวก็รีาวเก็บน้ากวดนี้พอนั่งเข้าวันนั้นบ้างวันนี้บ้างความอดความทนมันก็มีขึ้นแต่ก่อนเราเห็นอยู่แต่ในตำรับตาําลาเออความอดความทนความทุกข์อะไร มันยังไม่มาเกิดขึ้นที่ใจของเราที่กายของเราเราก็ไม่มีความอดความทนเออถ้าเรามาประพฏิบัติเราก็รู้เราก็เห็นเราผ่อนเราเห็นอยู่ในตำรัตบตำลาเราก็ไม่เข้าใจแบบนี้เนี่ยสายปฏิบัติเนี่แหเป็นงานที่เราจะกระทาต่างคนต่างทำเป็นหน้าที่ของ แต่ละบุคคลที่จะทําเออไม่ใช่ว่าเราจะทําให้กันได้การประพฤติปฏิบัติอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นผู้ชี้แนะเฉยๆบอกทางเฉย ๆ, ๆว่าเราจะทําหรือไม่ทําอยู่ที่อยู่ที่เราคนเดียวเออถ้าเราขี้เกียจที้ข้านเราก็ไม่ได้อะไรก็ได้แต่ความขี้เกียจที้ข้านนั่นแหละการภาวนาเนี่ยให้เราลึกนึกถึงเวลาเรานั่งคุยกันนั่น เพลินไปเรื่อยๆนั่นน่ะนั่นล่ะเราให้กิเลสจูงไปลากไปเราไม่ไม่ได้ดูเวลามานั่งไม่เอาแล้วเออกระดูกกระดิกเดี๋ยวก็ยุ่งก็รู้สึกว่าเยอะอะไรก็เยอะมารบ ก, กวนอันเป็นอย่างนั้นเรื่องของกิเลสเราก็มีความอดกั้นบ้างปล่อยให้ทานมันไปเสียเราทานแค่นี้ไม่ได้เรากินเขากินเยอะกว่านี้เออคิดจะลาโด้สิ <c oughs> ย้อนเข้ามาภายในเร า, เอาอะไรไปฝังไว้นั่นเนี่กว่าจะเป็นเลือดเป็นเนื้อ <c oughs> เป็นหนังของเราเนี่ยเรากินเขามามากขนาดไหนเราก็เลือกนึกถึงดูที่เออเอาเป็นธรรมที่สอนเรานั่นแหละเราก็จะได้มีความเมตตาอาลีตต่อกันซึ่งกันและกันเขาก็หิวเราก็หิ ว, หวนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นถ้าเรามีความ ทินิ้พิจารณามีการภาวนาอยู่เรื่อยมันก็มีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันแล้วก็ปล่อยวางได้สิ่งเหล่านั้นเอออันกล่าวว่าส ก, กายยะทิฐิหวงตนหวงร่างกายสังขารเจ็บนิดๆหน้อย ๆ, ๆก็ไม่เอาแล้วเออนั่นเป็นอย่างนั้นบัดเวลามันตายเนี่ยนะมันไม่ได้เจ็บขนาดนี้เจ็บเจ็บกระ ท, ทั่งตนอยู่ไม่ได้กระ ท, ทั่งตนตายนี่ยนะ แต่เราก็ไม่รู้เพราะเราขาดการพินิจพิจารณาขาดการ ป, รปฏิบัติก็เลยเราวิ่งตามแต่กลมายาของกิเลสมันลากไปทางไหนก็ไปกับมันเออไม่มีเบรข้ามล้อพอไม่มีเบรข้ามล้อก็ไปอยู่เรื่อยๆตกผมตกเหวลงคูลงคลองไปก็ไม่รู้สึกตัวนั่นมันเป็นอย่างนั้น หมดเวลาเราจะมานั่งประพฤติปฏิบัติไม่เอาแล้วมันเป็นอย่างนั้นเออเพราะเราขาดสติตัวนี้หลักการภาวนาเนี่ยสติเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเออให้กำหนดดูให้มันนิ่งเพราะว่าเวลานี้ขณะ น, นี้จิตของเรายังไม่นิ่งถ้าจิตไม่นิ่งมันก็ไม่เห็นทม ถึงท่านกล่าวว่าทามีอยู่แต่เราก็ไม่รู้ท่านว่าอยู่กว่างศอกยาวานาคืบนี่แหละอยู่บริเวณนี้แต่เราก็ไม่สามารถน้อมนำแบบพื้ปฏิบัติได้เพราะเราขาดความขยันขาดความทิ่นิพพิจารณาถึงว่าเราจะมีทรัพย์สมบัติมากอย่างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหรือกายะสมบัติววจีสมบัติ ม, ตมโนสมบัติอันนี้แหละเรามีแล้ว แต่เราไม่รักษาเออเราไม่รักษาไ ม, มา่น้อมนามาปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์มีแต่กาศพูนศูญดอกอพามันแตะไปทางต่ำน้อม น, อมนำไปทางต่ำมันลากไปทางไหนกับไปไปเรื่อยไปเรื่อยเราเลยไม่ทันโกลอุบายของเขานั่นมันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรล่ะ เพราะอำนาจความต่ำมันมีมากอยู่ที่ใจหลักนี้เวลานี้เราจะพยายามพินิตฐพิจารณาแยกแยะให้มันออกจากใจของเราเมื่อมันออกแล้วคุณงามความดีวิชาหรือปัญญามันก็เกิดขึ้นธรรมก็เกิดขึ้นเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นธรรมเกิดขึ้นแล้วความชั่วเหล่านั้นมันก็อยู่ไม่ได้เออเพราะขณะนี้เวลานี้ความชั่วมันสิงกระถิตอยู่อยู่ที่ใจของเรานั่นแหละ แต่เราไม่สามารถรู้ได้แต่บ้านี้เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติมีความอดทนอดกั้นขยันหมั่นเพียรไม่เป็นคนขี้เกียจขี้ค้านแต่ความดีมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเลยๆเจนั้นให้เราสังเกตเวลาเรานั่งปฏิบัติแต่ละวันละวันมานั่นเออมันจะมันจะมีผลของมันอยู่เออมันถ้าเราสร้างเหตุน้อยมันก็มีผลน้อย ถ้าเราสร้างเหตุมากมันผลมันเกิดเกิดขึ้นมากอันนี้อยู่ที่ความขยันของเราให้เราน้อมลึกถึงนึกถึงคุณงามความดีเราเค ย, ป, ยปฏิบัติมานั่นแหละกำลังใจเราก็จะพยามมันก็จะเกิดขึ้นเออความขี้เกียจขี้ข้านมันก็จะหายไปเออเพราะเรามีโอกาสมีเวลมเวลาเออนั่น เพราะเราเกิดก็เกิดในมีเวลาเรารู้แต่เวลาเกิดเวลาตายเราไม่รู้นั่นไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันจะตายเวลาไหนความตายนั่นแะแต่เวลาเกิดเราพอรู้ได้นั่นจากนั้นถ้าเราประมาทเราก็ขาดทุนสุนดอกเสียไม่ได้คนงามความดีอะไรเลยเกิดมาเป็นมนุษย์ที่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐสามารถ กอบกวยเอาคุณงามความดีก็ได้สร้างเอาความชั่วก็ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนองระหว่างกลางนี่แหละคือมนุษย์สมควรจะทาของพระพุทธเจ้านั่นเหตุนั้ น, น, นท่านว่าทำมีอยู่มีอยู่แต่เราไม่ประพฤติปฏิบัติเราก็ไม่รู้ไม่เห็นเพลินไปหลงไปเอออันนั้นก็อของกูอันนี้ก่อของกูสิ่งเหล่านี้แหละมันมาทับถมจิตใจ ให้เรามาเพิก ม, มาแยกแยะขี้คายพินิษ์พิจารณาให้มันเห็นตามสภาวะความเป็นจริงเมื่อเราพินิษ์พิจารณาให้เห็นตามสภาวะความเป็นจริงแล้วแล้วเราก็ไม่สามารถจะไปหลงลืมมันได้ละสิ่งเหล่านี้เออเมื่อมันเกิดขึ้นสิ่งไหนมันดีเราก็พยายาม ป, ปฏิบัติอดทนขยันมันเพียนเข้าสิ่งไหนมันไม่ดีเราก็ละเวน้นเออทางกายเสีย หรือว่ามีเบรคข้ามร้อเสียสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถเกิดขึ้นจิตใจเราก็ปลอดโกงจิตใจเราก็เบิกบานละบาเนเป็นอย่างนั้นให้ดูใจของเราแต่ละเมื่อแต่ละวันแต่ละวินาทีนั่นแหะนั่นละสวรรค์มันอยู่นั่นละลกมันอยู่นั่นนิพพานมันก็อยู่นั่นอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่ไกลไม่ใช่ว่ามันจะขึ้นไปบนฟ้าสั้นฟ้าอากาศที่ไหนเออ ต้องดูใจของเรานี่เแหละการประพฤติปฏิบัติเมื่อเราทำใจของเรามันว่างได้แล้วนั่นละกันนั้นนั่นแล้วเออแต่เดี๋ยวนี้มันยังไม่ว่างมันยังรกรุงลังอยู่มันยังฟุ้งซ่านยังขุ่นมัวอยู่พยายามกําหนดให้มันนิ่งให้มันเห็นท่านว่าสภาธิความตั้งใจมั่นเป็นยังไงแต่ก่อนเราก็ไม่รู้เมื่อเราพยายามทำทุกวันทุกวันเราก็รู้เราก็เห็นขึ้น จิตเราสบายจิตเราปลอดโปร่งจิตเรามันนิ่งนั่นหละสมาธิมันเกิดถ้าเรามีสติจึงจะรู้ถ้าเราไม่มีสติไม่ไม่รู้มันไม่รู้เพราะเราเพลินอยู่ข้างนอกเราไม่ได้อยู่มาเอาเข้ามาข้างในเออถ้าเราไปเพลินอยู่แต่ข้างนอกมีแต่พวกผู้ร้ายอ้ายขโมยแล้วมันจะมาลกมาจกมาชกมาจึงเอาสมบัติภายในของเราเออกไปกิน มันเป็นอย่างนั้นถ้าเราเข้ามาอยู่ข้ขางภายในค้วงสอกจาวานาคืบนี้สิ่งเหล่านั้นกับไม่มันก็เกิดขึ้นไม่ได้มันมันเป็นอย่างนั้นเพราะใจของเรามันออกอยู่ข้างนอกมันไปเพื่อเพลินไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามปวดสะะเรียกว่ากรรมคุณฑะเราไปติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้เมื่อเราติดในสิ่งเหล่านี้เราก็ เอาไปเามาพินิษฐ์พิจารณามดูให้มันเห็นว่าเมื่อเมื่อสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นที่ใจมันทําให้ใจเราเบิกบานไหมทําให้ใจเราขุ่นมัวไหมถ้ามันทําให้ใจเรามันขุ่นมัวทําให้ใจเรามันโศกเศร้าใจของเรามันมืดมันหลงอยู่ในสิ่งเหล่านี้เราพยายามปีเบรกห้ามล้อมันบ้างห้ามวันนั้นบ้างห้ามวันนี้บ้าง ครั้งนี้บ้างครั้งนี้บ้างมันกนนานๆเข้ามันก็สามารถแยกแยะออกได้มันไม่เป็นเราไม่เป็นทาสของมันเดีย๋ยวนี้เราเป็นทาสของมันอยู่เราไม่หลงเราหลงเ ร, เราลืมอยู่มันเป็นอย่างนั้น <c oughs> แต่เราเราไม่รู้ว่าเราหลงเพราะอาวิชชาหุ้มห่อที่ใจของเราอยู่ฉะนั้นการภาวนาคือการพินิจพิจารณา เรามันติดอยู่ส่วนไหนของร่างกายแล้วก็แยกแยะที่กายให้มันรู้ไห้มันเห็นตามสภาวะความเป็นจริงกำโนพิจารณาดูอยู่นั่นเออมันจะเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็น้อมพินิจพิจารณา อ, อยู่ในไตล่าเรียกอนิจจตาทุกขตาหนัตาต า, ตาสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้ดับได้มันไม่จีรังยั่งยืนไม่ใช่ทำแท้ ทำแท้นี่มันอยู่ที่ใจแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เห็นมันไม่รู้ก็เพราะว่ามันมีสิ่งอื่นเข้าไปแฝงเข้าไปถึงสถิตอยู่เราก็เลยไม่รู้เราเลยไม่เห็นใจของเราเลยขุ่นมัวเออใจของเราเลยบอดอยู่ฉะนั้นมันเป็นอย่างนั้นาฉะนั้นการประเพลิดปฏิบัติท่านว่ากำหนดพิจารณาดูโอปัญายโกน้อมเข้ามา ถ้าน้อมเข้ามามันก็จะเห็นจะรู้แสงสว่างมันจะเกิดขึ้นอันนั้ น, นดวงปัญญาเกิดขึ้นมันแล้วแต่อิสัยวาสนาของแต่ละบุคคลเคยสร้างสมอบรมมาเนชาติก่อดปางก่อนเรียกว่าบุเพกตะปุญญาตาอันจริงเหล่านั้นเราก็ไม่รู้เพราะเราเระลึกไม่ได้แต่เรามีหน้าที่เอาปัจจุบันธรรทนี่แหละประพฤติปฏิบัติเอาปัจจุบันธรรท เรามีศรัทธาเชื่อแน่ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงสวรรค์นรกมีจริงนิพพานมีจริงเราก็ตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติต่างคนต่างตั้งใจประพฤติปฏิบัติทุกวันทุกวันเออความดีมันก็ไหลเข้าไหลเข้าความชั่วมันก็ไหลออกไหลออกนั่นละ่ะใจเราก็มีแต่ความสุขมีแต่ความเบิกบานและบันเออมันเป็นอย่างนั้น ทีแรกมันยังไม่เห็นผลมันก็ลงลุกคู่ขามมันก็เจ็บนั่นปวดนี่ก็เป็นธรรมดาเ อ, อสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในประจําโลกประจําสังขารอันนี้เออพอสังขารอันนี้มันตกอยู่ในสภาวะเหล่านี้แต่เราไม่รู้เราไม่เห็นเราไม่ น, น้อ ม, น, มนํามาพิจารณามันก็เลยหลงอยู่เออลืมลืมลืมสิ่งเหล่านี้ ขาดการประพฤติปฏิบัติเอเจนั้นท่านให้ว่าพยายามดัดใจของเราเนี่ยให้มันเข้าตามคำลองคองทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อมันดัดไปได้แล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เออถ้ามันเกิดขึ้นสิ่งชั่วเกิดขึ้นมันก็พากายปาวาจ า, าันละไปประพฤติปฏิบั ต, บติแต่เวลารับทุกข์เออโดยรับโทษรับทุกขนั้นนะ่ะกายเขาไม่ได้รู้เรื่องด้วย วาจาก็ไม่รู้เรื่องด้วยแต่ใจเป็นคนในในได้รับเออนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราน้อมนามาพินิจพิจารณาให้มันเห็นจึงจะรู้จึงจะเห็นกําหนดให้มันเห็นที่พระพุทธเจ้าท่านว่าอานิจจังเป็นของไม่เที่ยงอะไรมันเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็น้อมพินิจพิจารณาดูความเกิดนี่แหละเป็นของไม่เที่ยง มันเกิดอยู่ทุกวินาทีความแก่ก็แก่อยู่ทุกวินาทีแต่เราไม่รู้เราไม่ได้กาหนดเออขนาดเรานั่งอยู่นี่ความตายมันก็ตายอยู่ตายไปเรื่อยเออมันเป็นอดีตไปเรื่อยเออเพราะเวลามันไม่คอยใครมันไปเรื่อยเอามันกระทั่งชีวิตของเราไปด้วยเพราะนั้นนะ่ะเจรไปเรื่อยเจริญไปเรื่อยกระทุกระทั่งถึงวันตายนู่นนะ่ะ แต่ถึงวันนั้นเราจึงจะรู้สึกอันนั้นมันสายไปแล้วหมดโอกาสแล้วจะไปสร้างคนงามความดีไม่ได้คนไม่มีใจนะสำคัญอยู่ที่ใจหต่นั้นท่านจึงให้มาพัฒนาใจมาดัดใจของเรานี่ละทุกคนต่างคนต่างดัดต่างพินิจพิจารณาเพราะเรามีใจทุกคนว่าใจมันอยู่ตรงไหนที่พเ อ, อที่หลวงปู่เทศท่านกล่าวไว้นั่นนะ ใจมันคือกลางๆถ้าเป็นใจนะถ้าถ้าจิตนั่นจิดนี่นั่นเระเรียกว่าจิตเออหรือว่าเจตสิกปุงนั่นปรุงนี่แต่นั่นแตน่นี่อันนั่นนะแรียว่าเจตสิกถ้าใจเนี่ยมันอยู่กลางๆมันไม่นั่นวันนี้เราจะพัฒ น, น, นาใจให้มันเกิดคุณงามความดีขึ้นขึ้นที่ไหนละ่ะขึ้นที่ใจนั่นแหละพยายามทุกวันทุกวันเออย่าง เราอาศัยเหตุเวลาเราถึงเวลามาเราก็มาฟังพร ะ, ะสวดอภิธรรมเอออันนั้นเป็นเหตุเฉยเฉยอันนั้นอ่ะเพื่อให้เราได้ตั้งใจประฏิบัติถ้าไม่มีเหตุเราก็ไม่สามารถมารวมกันอยู่อย่างนี้ได้ถ้ามีเหตุเราก็สามารถมารวมกันได้นั่นเป็นอย่างนั้นการปรฏิบัติถ้าจะทาทาแต่เราคนเดียว มันก็เอาแต่ความขี้เกียจขี้ค้า น, นมาบังหน้าเอาอแล้วก็อ้างเวลานั้นบ้างอ้างเวลานี้บ้างงานนั้นยุ่งบ้างงานนี้ยุ่งบ้างมันเป็นอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นค น, คนมายาของกิเลสไม่ใช่คนมายาของธรรมธรรมเขาไม่มีคนม่มีมายาเขาตรงไปตรงมาเออทุกก็ทุกแท้สุข ก, ก็สุขแท้เออนั่นแ่ะดีก็ดีแท้ชั่วก็ชั่วแทธรรมมันเป็นอย่างนั้น แต่ละซึ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้มันก็อยู่ที่ใจของเรานี่แหละถ้าชั่วมันมากมันก็จิตก็เป็นอกุศลนั่นน่ะจิตไม่เป็นบุญถ้าบุญมันมากจิตมันก็เป็นบุญนั่นน่ะมีแต่ความเบิกบานมีแต่ความสั่งอาพ า, าเผยมันเป็นอย่างนั้น อ่าตอนนี้ไปกำหนดพิจารณาให้ดูใจของเราเดี๋ยวพูดไปเรื่อยๆวกไม่รู้เรื่องแล้วก็ถึงเวลาแล้วก็วิ่งออกไปเลยการออกจากสมาธิต้องดูดูใจของเจ้าขอ ง, ของคก่อนจะ่ไปรีบออก่ใช่ว่าเราจะมาทำแค่วันนี้วันเดียวอนาคตข้างหน้าเราก็ทาไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะบรรลุห็น <c oughs> ตามสภาว่าความเป็นจริงของเข า, เารู้แจ้งเห็นจริงนั่นแหละถึงวิมุตติลดพ้นนั่นแหละเราจึงหยุดถ้าหยุดหมดงานแล้วก็หยุดเลย เ, เป็นอย่างนั้นงานภายในมันมีหยุดแต่งานทางโลกนี่ไม่มีหยุดมีมีเมืม่อไม่มีเมืองพ อ, อาหาเท่าไหร่ก็ให้มันไม่พอเพราะความโลภตัวเนี้ยถ้า เรามาประพฤติปฏิบัติแล้วมีพอมีหยุดเป็นอย่างนั้นเออความโลภ ก, ก็ไม่มีความโกรธก็ไม่มีความหลงก็ไม่มีนั่นเป็นอย่างนั้นเวลาเรากำหนดทำบทไหนเราก็พินิจพิจารณาให้มันสบายเวลาเราจะออกให้จิตมันสบายเสียก่อนจึงออก เห็นคนอื่นเขาออกรีบออกกับเขาไปแล้วก็ไม่ได้ไปพักอะไรหรอกไปเดินคุยกันเฉยๆนั่นน่ะมันมันเสียภาพพจน์ของสำหนักระเพฤ่ธปฏิบัติถ้าเราออกไปแล้วไปตั้งใจไปเดินยุงกรมไปเปลี่ยนวิยาบทอันนั้นมันเป็นอะไรต้องรักษาภาพพจน์ไว้อย่าให้มันมีคนขค้างนอกเขามาเห็นมันดูไม่ดี มันไม่ขายอะไรหรอกขายตั้งแต่เราเนี่ยแหละขึ้นมาถึงครูบาอาจารย์ถึงตำนักเออสิ่งเหล่านี้เราไปเห็นตำนักอื่นเราก็ไม่พอใจเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นให้เราดูที่เวลาเราคนอื่นเขาคุยกันนี่ยเราไปนั่งฟังน่าฟังไหมเออให้เอาเหล่านี้สิ่งเหล่านี้แหละมาพิิจพิจารณาเออมันออกนอกโลกนอกสงสารหน่อยนาะมันไม่ได้สนทนาทำอะไรหรอก ตจมันกระเพรินไปน่นล่ะลืมไปนวนเหตุในนั้นการประพฤติปฏิบัติมันจึงไม่ก้าวหน้ามันผอยหลังอยู่เรื่อยมันเป็นอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้เราให้พยายามน้อมนํามาพิจพิจารณาถ้าเรามีวัดภายในนะการประพฤติปฏิบัติเออวัดภายนอกไม่ได้ไปถามมันหรอกคนเรานัก พอพิดปิบัติหรือว่ากรรมฐานนั่นท่านไม่ดูกันข้างข้างในดอกดูกันข้างนอกถ้าวัดข้างนอกมันสมบูรณ์ไม่ต้องดูหรอกวัดข้างใน อ, อ่ะเพื่อไหว้พระสดมนนั่งสมาธิจเจริญภาวนานี่ยความจิตส่วนตัวนั่นไม่ต้องไปถามถ้าวัดภายนอกกวาดวัดก็ไม่เอาอะไร จ, จิตการงานก็ไม่เอาอันนั้นน่ะไม่ต้องไปถามมันถ้าวัดภายในไม่มีแล้วน่ะขาดจากคนแล้ว พระก็ไม่มีอยู่ที่ใจแล้วนั่นแหละมันอยู่แต่ทราบคนเฉยๆออพอนานเข้านานเข้าก็อยู่ไม่ได้เพราะร้อนผ้าเหลืองระบันนั่น่ะเพราะอะไรกายทำทาป่าไม่เหมือนทำให้ปริยัตพูดไปเรื่อยๆให้กำหนดพังไปเรื่อยๆพวกเราคณะชาวอุดร อตาตมาไม่ได้เอาแว่นตามาเลยไม่รู้ชื่อพูดรวมไปเลยได้มีศรัทธามาสวดเป็นเจ้าภาพสวดอบิธรรมต่อวายท่านอาจารย์หรือหลวงพ่อคำแพงอัตตาสันโตแล้วก็ได้บุญได้กุศลเพื่อบำรุงใจของเราให้เกิดคุณงามความดีเหตุฉะนั้นท่านจึงว่า พยาธรมมาสังฆาลังสังฆาลทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพระปมาเดนะสัมปาเดธาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์โทษนะให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเฉะนั้นเราก็เป็นผู้ไม่ประมาทตั้งตัวเตรียมใจของเราไวา้เพื่อพอลโลกข้างหน้าโน้น แต่เราก็ไม่รู้ว่าพอละโลกอะไรเป็นพอละโลกเราต้องสร้างเพราะว่าทำบุญกุศลเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านว่าสมควรแก่มนุษย์นี่เลยต่างคนต่างต่างดัดต่างคนต่างพิษพิิษพิจารณาเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวนี้เวลาตีละครเ่ยไม่รู้ว่าใครเป็นคนตีไปเอาอะไรเมะเอาแค่นั้นแหละก็เลิกไปเลย ต้องรู้ที่วท่านอาจารย์ก่อนท่านจะมรณาภาพท่านก็บอกวิธีตีแล้วอันสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องไปพูดกันหรอกฟังกันรู้เรื่องรู้นี่เวลาตีละค ร, ครั้งเดียวกับมีนั่นอ่ะไม่รู้เกียรติขัานถึงขนาดไหนเห็นไหมนิ่สัยของเรานน่นน่ะมันแก้ได้ไหมนี่แล้วสิ่งเหล่านี้แหละการภาวนาท่านจึงว่าถ้ามีสติอยู่ภาวนาอยู่ตลอด นั่นละเราไม่มีสติเราขี้เกียจที่ค้านถ้าไม่เข้าใจก็ถามครูบาอาจารย์ถามหมูถามคณะพิธีตีนี่นะตีให้มันเป็นสามลาตีละครั้งนั่นแะแต่สำนักอื่นอย่างท่านสหายอย่างนี้ถึงเวลาไม่ตีหรอกละครั้งนั่นพอบ่ายสามลงเลยลงกวดเลยเพราะออกจากทางเดินจมแล้วก็กวดวัดไปเลย กอวัดเสร็จก็ไปถูสบลมสราเออถูสราเสร็จก็ไปสันน้ําร้อนทำน้ำร้อนเสนร็จก็ไปสงน้ําเข้าทางเดินยงกรมเลยนั่นพอวัดมันเป็นอย่างงั้นอันนี้เราเดินโลโลเรเลยอยู่มันดูไม่ได้เนี่ยเนี่ ย, ยม่ใจหลวงพอ่อไอ้นั่นนะอันนี้เดี๋ยวนี้เระทําแบบตาบอดหูหนหวกอยู่เดี๋ยวเนี่ย เพื่ออะไรเพื่อสงสารสงสารญาติโยมเดี๋ยวเนี้จริงอยู่นะพูดตามใจจริงเลยแหละอย่างหลวงพ่อนี่ไปอยู่ที่ไหนถ้าอยู่คนเดียวเออไม่ได้พูดทั้งวันอ่นนะเหมาะที่สุดออไม่ได้ไปยุ่งกับรักใครนนั้นนะใจมันก็ภาวนาอย่างนั้นกําหนดอยู่นั่นอนะ่ะมันเป็นอย่างนั้นทํางานอะไรก็กําหนดอยู่นั่นพิจารณาอยู่นั่นอนะ่ะมันเป็นอย่างนั้นพอลาดสักกะหลวงพ่อไม่หวังเลยแหละเออลดฐานดาสักอะไรเนยะ ไม่ไม่ชอบเลยหวังแต่ความผุดหลุดพ้นอย่างเดียวอันนี้มากับเพื่อว่าศรัทธายาโยมนั่นแหละเออแต่ก่อนก็ลงปูเราเคยอยู่กับท่านไปสอนหนังสือให้ท่านอยู่สี่ห้าหกปีหวังว่าจะสร้างพระให้ท่านสักองค์เป็นองค์แทนแล้วท่านก็ทรงไปเรียนต่อเจ้า ก็เลยมาพินิจพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่มีทางที่สิ้นสุดงานไม่เสร็จก็เลยออก <c oughs> ออกตั้งแต่นั้นเราออกมาประพปฏิบัติเอีเรียนะเรียนไม่ใช่เรียนนั่นเรียนเพื่อประพปฏิบัติ <c oughs> <c oughs> เนี่ยจากนั้นการก า, ารศึกษาเวลาเรา ป, รปฏิบัติมันออกมาเองสิ่งเหล่านั้นน่ะมันรู้ไปเอง พราเราเคยศึกษามาแล้วนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นเวลาทำก็ทำจริงๆไม่ใช่ว่าทำเล่นรอแหละอย่างปอยู่กับลุงปู่เท่ากับพระวากรรมเคยอยู่กับท่านมาแต่พบก่อนทราบก่อนไปที่ไหนก็เป็นห่วงเวลาท่านสบายก็ขอลาท่านออกไปวิเวกเป็นอย่างนั้นพอท่านไม่สบายก็ต้องกลับเข้ามาเออสงสารท่านท่านช่วยตัวเองไม่ได้เป็นอย่างนั้น ถ้าท่านสบายก็ออกไปที่ไม่ได้ออกไปสี่ปีเต็มๆนั้นท่านป่วยนั่นท่านช่วยตัวเองไม่ได้ไม่ได้ไปจริงๆเลยแหละจึงพอท่านมรณภาพลัสังขารแล้วก็เลยเขาไม่เผาก็เลยออกมาเลยเพราะส่วนนั้นท่านไม่เอาแล้วมันเป็นอสุภะเออธาตุดินกับธาตุน้ามันธาตุดินกับนั่นน่ะมันมันธาตุดินกับธาตุน้ามันยังอยู่น ธาลมธาตุไปเข้าไปแล้วเรามาพิิพิจารณาก็าจะมาเฝ้าติดของตายอยู่นั่นเราก็ไม่ได้ไประโยชน์เขาถึงขนาดนั่นนะมันจึงฟื้นขึ้นจิตนะ่ะมันเสื่อมรู้อยู่ว่ามันเสื่อมคนเราเนี่ยถ้ารู้ว่าจิตจะของเสื่อมหรือไม่เสื่อมอันนั่นละ่ะคนภาวนาพอเป็นไปได้ถ้าไม่รู้ว่าเสื่อมหรือไม่เสื่อมไปเรื่อยๆน่นนะไม่ได้อะไรละนะ่ะนั่นละ่ะขาดทุนศูนดอกแล้ว บวชเพราไม่คุมคุมข้าข้าวศรัทธาญาติโยมนั่นมีแต่ ม, มันจะบาปอย่างนั้นล่ะนั่นล่ะบวชนานมันบาปเป็นเป็นอย่างนั้นบวชนานถ้าเราตั้งใจแบบเพิกปฏิบัติมันไม่เป็นไรหรอกเออให้สงสาร ญ, ญาติโยมเขาพูกเขาให้ทานให้อาหารเรานัเนี่ยต้องนึกดูก่อนเหตุนั้นก่อนจะรับประทานหรือก่อนจะฉัน อ, อก่อนจะซ้ายซอยอะไรอันนั้น ท่านจึงให้พินิตพิจารณาก่อนอให้กำหนดปฏิสังขาโยดูก่อนออไม่ให้ใจมันหลงไม่ให้ใจมันลืมถ้าใจมันหลงมันมัวเมามันลืมแล้วก็ไม่ได้อะไรละ่ะใจก็ต้องมองเป็นอย่างนั้นพากันตั้งใจประพื่ปฏิบัติอย่างนี้แหละเรามาอยู่ อาศัยครูบาอาจารย์ท่านก็มาละสังขารจากเราไปเสียเออที่แรกก็ตั้งใจว่าจะอยู่ด้วยกันมันก็ของเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนอันนี้จังเออไม่ว่าใครจะไปก่อนไปหลังก็ต้องไปด้วยกันทุกคนแต่ไปต้องให้มันไปดีอยู่ก็ให้มันดีอย่าให้มันอยู่แบบพอลำคาลลำคาญมันไม่เกิดประโยชน์เออที่เสนาสนที่อาจารย์นั้น ทํวไว้สร้างว้เนี่ยขุดไหนมันว่างเราก็พยายามไปกวดอย่าไปกวดอุตตุติเจ้าของที่ไหนมันพอรักษาได้เราพยายามรักษาให้มันสะอาดอยู่ตลอดมันจึงสมว่าเราเป็นพระเป็นเนนสมว่ามีพระอยู่จะไปปล่อยให้มันลกรุงรังก็ไม่ดูไม่สวยไม่งามสัายาญาติโยมทองไกลเข้ามาเห็น พมาติสินินทาเราเ อ, อ, อย่างลูกพ่ออยู่สนกล้วยงองเดียวน่ะ น, นะกวดตั้งแต่นั้นยนะคิดดูได้แต่แต่เที่ยงนั่นนะห้าโมงเย็นไม่ได้สนใจแหละภาวนาไปกับหน้ามไม่กวดนั่นแหละนั่นนะแต่ช่วงก่อนนั้นก็ไม่ได้นะพักนะไม่ใช่ว่าสันเสร็จแล้วก็กอร้อนกรานินนะมีงานทำเล็กเล็กน้อย บางทีก็เข้าทางเดินยุ่กมเสียมันไม่มีคนไปหานั่นตั้งใจถึงขนาดนั้นแหละเออไม่ได้จะว่าอยู่แบบนั่นอะรลอยๆมันสงบที่นั่นเนี่ยไม่เป็นห่วงเรื่องน้องโู่นี่แหละเยยังไม่ลามาเออเขาโทรไปก็ไม่บอกเออมันเป็นอย่างนั้นเลยมาดูงานเลยมาดูต่อไปเรื่อยๆ ไม่ได้มาหวังราบสักกระยศตำแหน่งอะไรหรอกสิ่งเหล่านั้นอ่ะไม่ชอบที่สุดเพราะศึกษามาแล้วรู้มาแล้วอ่าต่อนี้ไปกำหนดดูดูใจของะของอย่าไปกำหนดเวลา ดูใจแล้วสงบหรือไม่สงบเนี่ยในเรื่องวินัยยังไม่ได้พูดคุยกันอยู่เออเวลาเข้าบ้านบางองค์ลุงพัสบงวาดเข้าไปในวินัยมีเป็นโทษนะเออพยายามดูศึกษาเรื่องวินัยของเจ้าของนั่นถ้าไม่เข้าใจก็ถามหมูถา ม, ถามคณะถามครูบาอาจารย์ อย่าไปปล่อยปะละเลยเรามีหน้าที่บวชมาเพื่อศึกษาแล้วถึงจะบวชน้อยก็ตามเมื่อเราอยู่ไม่ได้เราออกไปเราก็จะได้รู้สิ่งไหนมันควรทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้ถ้าเราไม่ประมาทเราก็สร้างแต่คุณงามความดีถ้าเราประมาทเราก็ได้แต่ความชั่วได้แต่ความไม่ดีเหตุฉะนั้น พวกสัายาติโยมชาวอุดรธานีก็เป็นผู้ไม่ประมาทตั้งใจมาสวดเป็นเจ้าภาพสวดอธิคำถวายแล้วก็ไม่ถวายท่านหลอกแะถวายเรานี่แหละเราเนะ่เเป็นคนได้เอาท่านเป็นเหตุเฉยเป็นเหตุเป็นปัจจัยถ้าไม่มีเหตุเราก็ไม่สามารถจะมาทำได้มันเป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีเหตุเกิด อย่างเราเกิดขึ้นมานี้ก็มีเหตุเหตุคืออวิชานั่นแหละพาเรามาเกิดความรู้นั่นความไม่รู้ความหลงนั่นแหละพาเรามาเกิดเวียนวนเ ว, เวียนอยู่ในวัฏสงสารอันนี้เฉะนั้นถ้าเราอยากออกจากในวัตสะสงสารอันนี้เราก็พยายามสร้างคุณงามความดีดัดกายดัดวาจาดัดใจของเราให้เข้านำคนลองคองทำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ใจของเราก็จะมีแต่วความสุขใจของเราก็มีแต่ความสุขความสบายเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วเราก็มีที่มีที่อยู่ที่อาศัยนั่นเป็นอย่างนั้นให้เราสร้างเอาแต่เราเรายังมีลมปานอยู่ในปัจจุบันธรรมนี้แหละการประพฤฏิบัติสร้างคนงามความดีจะเป็นการรักษาศีลก็ตามกเป็นการให้ทานก็ตามเป็นการภาวนาก็ตามเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล บุญกุศลมันสมควรเจอะอะไรหล่ะสมควรเจอะใจเพราะว่าบุญกุศลนั้นเป็นนามธรรมาเราเชื่อแล้วว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงนิพพานมีจริงชั่วมีจริงบุญมีจริงบาปมีจริงเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติข้นควายประโยคพยายามตามกําลังศรัทธาความเชื่อตามกําลังศรัทธาของเราที่เราเคยประพฤติปฏิบัติมาทําไปเรื่อยๆทุกวันทุกวัน บุญกุศลนั้นมันก็เต็มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนกับน้ําเวลามันตกเทลาหยาดเวลาหยาดลงในตุ่มมันก็สามารถเต็มได้อันนี้ก็เหมือนกันเราก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งใจสร้างคุณงามความดีไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือว่าอยู่วัดเราก็ทําเอาทุกวันทุกวันบุญกุศลมันก็เต็มเตี่ยมไปเรื่อยๆเรื่อยๆบุญก็คืออะไรก็คือความดีนั่นแหละความดีใจนั่นแหละ ให้ให้เราพิจารณาดูสิเวลาเราไปสร้างความชั่วนั่นนะมันไม่เหมือนกับสร้างบุญถ้าไปสร้างความชั่วเนี่ยไปไปทำแล้วมันกลัวแต่จะมีความผิดกฎหมเห็นเจ้าหน้าที่มา ก, ก็ใจหลุกลิกลุกลิกอยู่นนหละนั่นแ่ะความชั่วเป็นอย่างนั้นแหละแต่เวลาเรามาทำบุญนี่มันเป็นอย่างนั้นมีแต่ความเบิกบานมีแต่ความสุขมันเป็นอย่างนั้นการทำบุญมันไม่เหมือนการทำบาปให้เราตั้งใจประพฤติปฏิบัต อยู่บ้านก็ตามอยู่วัดก็ตามให้เราตั้งใจเพราะเราเกิดเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศา ส, าสนาศาสนาให้สอนแต่ความดีสร้างแต่ความดีให้เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติเราก็เป็นชาวพุทธคนหนึ่งละ่ะพุทธอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเรานี่แหละศาสนาอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของเราไม่ได้อยู่ที่อื่นถ้าเราประพฤติปฏิบัติกายกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของ เราให้เข้าตำลองกองทำคำสอน ข, ของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็สามารถอยู่ก็มีความสุขไปก็มีความสุขอยู่ที่ไหนก็มีความสุขจะอยู่ประสาทหน้าสวังหรือจะอยู่ที่ไหนก็มีเต่ความสุขเพราะว่าเรามีา ม, มีบุญเมื่อ ไ, ไม่เหมือนคนมีบาปถ้าคนมีบาปนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขคเป็นอย่า ง, งานั้นมันต่างกันดันั้นเราให้เราตั้งใจเอาประพฤติปฏิบัติเอา เราเป็นพ่อเป็นแม่คนเราก็เป็นหัวหน้าพาเขาพาเขาเดินพาเขาเป็นผู้นําเขานําการสร้างคุณงามความดีนี่แหละไม่ได้สร้างอื่นเหุฉะนั้นเมื่อเราอยู่บ้านเราก็มีการไหว้พระก่อนจะหลับจะนอนให้ไหว้พระนั่งภาวนาเสียก่อนเราเคยกำหนดทำบทไหนเราก็กาหนดทาบทนั้นแหละเอามาพิจารณา มาพิษพิจารณาแยกแยะที้กายให้เห็นตามสภาวะเป็นค ว, ความเป็นจริงอันความตายนี่แหละสําคัญให้เราเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เรายัางมีลมพานอยู่ เ, เราเตรียมตัวไว้เราพินิษฐพิจารณาเรามีความตายเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเก็บไข้เป็นธรรมดาอยู่นั่นให้มันเห็นเป็นของธรรมดาเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเราจะไม่ได้โศกทาท่านเรามันปล่อยไปตามสภาวะความเป็นจริงของเขาแล้ว เราก็ไม่รู้สึกเพราะว่าร่างกายอันนี้เรายืมเขามาใช้ชั่วปายวป้าดาวชั่วละอย่างบางหนึ่งแค่นั้นไม่นานไม่ น, น, ม, นมอะไรให้คิดพิจญรณาดูที่คนเราแต่ละคนเนี่ยเกิดมาไม่นมไม่นานนะ เ, เราเกิดมาเราเกิดมาแล้วเอาความแก่มาด้วยเอาความเจ็บมาด้วยเอาความตายมาด้วยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสมบัติของโลกมันมีอยู่อย่างนี้ฉะนั้นเราพยายาม สร้างคุณงามความดีไม่ว่าคดีโลกก็ตามก็ดีธรรมก็ดามตามอย่างคดีโลกเราก็สร้างฐานะของเราให้มันมีอยู่มีกินตั้งอยู่ในศีลในธรรมมันก็มีความสุขแล้วและทางธรรมเราก็ประพฤติธปฏิบัติเมื่อถึงเวลาเราก็เพยายามกําหนดพินิจพิจารณาให้มันเห็นตามสภาวะความเป็นจริงว่าร่างกายของเรานี้เต็มไปด้วยกองมูดกองพูดไม่เป็น สิ่งที่สวยงามอะไรแล้วก็พินิจพิจารณาเมื่อพินิจพิจารณาวันนั้นบ้างวันนี้บ้างความนิพพิธาก็เกิดขึ้นเมื่อนิพพิธาเกิดขึ้นเราก็เบื่อหน่ายเราก็ไม่จะมาคลองล่างอันนี้ได้ น, น, นั่นเป็นอย่างนั้นเหมือนกับเราเห็นไปเราก็ไม่สามารถจะจับได้เพราะกลัวอันนี้ก็เหมือนกันแต่เรายังหลงอยู่เดี๋ยวนี้ยังหลงละมัวเมาอยู่อยากแต่มาเกิดทุกขนาดไหนก็อยากแต่มาเกิดอย่างนั้นคนเราก็าะอะไรละ่ะ เพราะมันติดมันยึดยึดในรูปร่างในร่างกายอันนี้แหละในท่าสี่ขันห้านี้อะไรก็ของกูอะไรของกูอันนั้นในมันเป็นสมบัติภายนอกสมบัติภายในเหมืองเมื่อท่านจึงอุปมารประมาทเหมือนพวกบุญกุศลนี่แหละสมบัติภายในที่จะพาเราไปในอรลลโลกข้างหน้าให้เราพยายามอาพฤชปฏิบัติพยายามรมต่างคนต่างทำ แต่การทําบุญกุศลอย่างใหญ่นั้นกับมันหมายถึงว่าการภาวนานในแหละการพินิจพิจารณาตัวของตัวแต่ของระบุคนในกล้องหยอกศอกยาวานาคืบนี่แหละพิจารณากําหนดดูให้มันเห็นตามสภาวะความเป็นจริงแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์มันมีอยู่นี่ไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ไดอยู่ไกลมันอยู่ใกล้ๆนี่แหละบุญก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละไม่อยู่ไกลเออนิพพานก็อยู่ก็ใกล้นี่แหละไม่ได้อยู่ไกลไม่ได้อยู่ไปยันสั้นฟ้าอากาศที่ไหนเออ ท่านสมมติเฉยๆที่ว่าอยู่นั่นอยู่นี่นั่นเป็นคำสมมุติเป็นคำบัญญัติเพราะว่าเรานี่ติดในคำสมมุติติดในบัญญัติเอออย่างสมมติว่าเป็นหญิงเป็นชายแล้วก็ไปติดไปยึดในสิ่งเหล่านี้แต่ที่แท้ทำแท้แล้วไม่มีหญิงมีชายเออสามารถประพืชปฏิบัติได้ทั้งนั้นไม่เบ้าคนหนุ่มคนแก่คนสาหรคนเท่าอะไรสามารถประพืชปฏิบัติได้เราอย่าไปรอวันเปล่ากันพุ่ง ผัดเพีเ้ยนอยู่ไม่ได้เพราะว่ามัจจุราชมันตามเราอยู่ทุกข้าวทุกวินาทีให้เราพินิษพิจรารณาถ้าเราไม่ประมาทเราก็ไม่ขาดขาดทุนศูนย์ดอกเราก็ไม่ได้แต่กําไรเพราะเราเกิดมาในโลกนี้เราเหมือนกับเรามาค้าขายถ้าเราขี้เกียจขี้ค้านแล้วก็ขาดทุนไปเสียไม่ได้อะไรไปวนเวียนอยู่ในวัฏะอันนี้บุญกุศลก็ไม่ได้นั่นเป็นอย่างนั้นถ้าเราประมาทมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ประมาทเราก็ได้ ได้กําไรแล้วมันได้เสียทีที่เกิดเป็นมนุษย์พราะพระพุทธศาสนาศาสนาประจำชาติของเราพ่อแม่บัมพบุรุษของเราเคยประพฤติปฏิบัติมาเออเราก็ปฏิบัติตามนั่นแหละไม่ใช่ว่าเราจะมามีแต่ชื่อในสมโนครัวรู้ไม่รู้ว่าพุธมันเป็นยังไงทำมันเป็นยังไงสงฆ์เป็นยังไงแล้วก็ไม่รู้เพราะเราขาดการพินิษฐพิจารณาข า, ขาดการประพฤติปฏิบัติ เวลาเราเห็นผ้าเราก็มีความนอบน้อมอ่อนไว้ก่อนเอาลบไว้เนี่ยเห็นไหมต้นไม้เวลามันอ่อนเวลามันน้อมเนยะเวลาลมมามันไม่หักต้นไหนมันแข็งโดดเดยวอยู่นั่นนะเวลาลมมามันมีแต่พยายามจะหักอย่างเดียวนั่นนะมันมนันนี่ยอันนี้กายใจของเราก็เหมือนกันถ้าเรามีกายอ่อนน้อมวิจาอ่อนน้อมต่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็มีแต่ความสุขความสบาย ความสุขความสบายไปอยู่ที่ไหนแล้วก็มันแนบอยู่ที่ใจนั่นแหละมันสมควรแก่กันเพราะมันเป็นนามธรรมด้วยกันแต่รูปร่างกายนี้นเป็นสิ่งที่เรามาอาศัยเขาเฉยๆอ อ, อาศัยอะไรที่มันเกิดได้ก็เพราะอาศัยบุญกุศลนั่นแหละ บ, บก่อนทราบก่อนภุเพกะตะปุญญาตาเรามีมาแต่ทราบก่อนพบก่อนเราจึงสามารถเกิดเป็นมนุษย์ได้อันนี้ให้เราพินิจพิจารณาสัตว์อื่นเขาอยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์ แต่เขาไม่สามารถมาได้ก็เพราะว่าเพราะกรรมการกระทาของเขาในภพก่อนชาติก่อนนั่นแหละไม่สามารถมาเกิดเป็นมนุษย์ได้วิญญาณทุกวิญญาณนี่อยากมาเกิดเป็นมนุษย์อยากได้ดีทุกคนแต่ว่าเพราะอะไรล่ะเพราะกรรมการกระทำความชั่วของเขาแต่ภพก่อนชาติก่อนก็เลยไม่สามารถมาเกิดได้นี่เหตุนั้นเราเมื่อเรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราอยากเป็นผู้ประมาท ถ้าเราเป็นผู้ประมาทและเสียโอกาสเลยไม่ได้อะไรคุณงามความดีก็ไม่ได้เออส่วนธาตุสี่ขันห้านี่มันเป็นของสมบัติโลกเมื่อเราละจากอันนี้ไปแล้วเราละออกจากร่างกายอันนี้แล้วหายว่าความตายนั่นแหละเราก็ต้องเอาทิ้งไว้ในโลกนี้ลหละดินก็เขาไปส่วนดินน้ำเข้าไปส่วนน้ำลงเขาไปส่วนลมไฟเขาไปส่วนไฟของของอันนี้มันมีอยู่ในประจําโลกเนี่ย เออเรามาหาเอาทีหลังเออสมบัติภายนอกนี่เรามาหาเอาทีหลังให้เราพินิษฐ์พิจารณาดูที่เราเกิดขึ้นมาแล้วนั่นนะ่ะที่แรกน่ะมีอะไรมาด้วยไม่มีมีแต่ร่างกายเปลา่าทุกคนนั่นแหละมาด้วยกายเปลา่าแต่ว่าสมบัติภรสถานจะเป็นทางขดีโลกตามทางข้าดีธรรมก็ตามก็มาหาหาเอาทีหลังเพอเราเรามีแล้วสมบูรณ์แล้วกายญาสมบัติพระจีสมบัติมโนสมบัติเราหามาพร้อมแล้ว อาชวนนี้เราแบ่งมาจากใครละมาจากพ่อแม่นั่นแหละมาจากบุญกุศลที่เราเคยสร้างสมอบรมมาในพบก่อนซาตก่อนอันนั้นละ่ะเป็นผู้ช่วยหนุนให้เราได้มาพบพระุพุทธพบพระพุทธศาสนาให้เราได้มาสร้างคุณงามความดีมาสร้างบุญสร้างกุศลก็ อ, อย่างนี้แหละเราถึงเวลาเรามาจองไห้เราก็มามาสวดมาเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมถวาย บุญกุศลนั้นก็ได้แก่เรานั่นแหละท่านอาจารย์นั้นบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้มันก็ไม่แน่นอนเพราะว่าเราเคารพท่านเรามีความกตัญญูกตเวทีต่อท่านเราก็มาทําทําแล้วบุญกุศลกับตัวแก่เราเหมือนกับเราส่งไปสนีไปห้าให้ลูกหรือว่าให้ผู้ที่รู้จักถ้าเขาย้ายหนีเออเขาก็ไม่สามารถรับได้เขาก็ส่งคืนมาหาเราอันนี้ก็ไม่ไเสียทุนสูญหลอกอะไรมีแต่มีแต่ได้อย่างเดียว เพราะได้อะไรล่ะกใจของเรานั้นเบิกบานใจของเราเป็นกุศลมันก็มีแต่ความได้ไม่มีความเสียอันนั้นให้เราตั้งใจประพฤฏิบัติแล้วก็ในวันที่สิบห้าเนี้ยกับเป็นวันห้าสิบวันครบห้าสิบวันมันเไม่ช่ว่าครบรอบนะมันพูดผิดครบห้าสิบวันวันมรณภาพของท่านอาจารย์แล้วก็คณะสัตว์ทศายา จ, จมทางวัดนี่แหละแล้วก็สาธุรสิทธุคนนั่นแหละร่วมกัน จะทำบุญอุทิศถวายท่านเออในวันนั้นแล้วก็มีหลวงพ่อมหาบุญท่านท่านจะเมตตามาเทศอบรมสั่งสอนแล้วก็มีการบวชสีพามอะไรถ้าเรามีใจใสศรัทธามีความเลื่อมใสอยากมาประพฤติปฏิบัติมานั่งภาวนาก็มามาบวชเวลานั้นน่ะตอนที่สีพามตอนบ่ายนี่ะใครมีศรัทธาก็มาบวชบวชกายนะบวชกายเพื่อให้ใจมันบวช ด, ด้วย ความเป็นวัตถุภายนอกอันนี้บวชกายนั่นนะพอเราเหลือบตาเห็นกายขาวๆเห็นผ้าขาวๆใจเราก็จะขาวด้วยเนี่ยมันเราต้องหามีวัตถุมาล้อมันเสียก่อนใจมึงจะขาวเหตุจะนั้นเวลาเราภาวานา น, นั่นเราท่านจึงให้กําหนดทำบทใ ด, ดบทหนึ่งเอามากําหนดมาแนบแน่นให้มันรู้ให้มันเห็นเอามาเป็นเครื่องอยู่ของมันอันนี้ก็เหมือนกันเราเอาผ้าขาวนะั่นแหละมานุง่ง มหมแล้วพอเราเหลือบเข้าไปเห็นผ้าขาวเราจะเห็นหมดหรือเห็นยุงมันมาตัดมาอะไรเราก็จะไม่ไปแระแจต้องมันเ อ, อจะทานมันไปเสียนั่นแหะศินเราก็จะไม่ขาดอันนั่นแ่ะมันเป็นวัตถุภายนอกอันเนี้แต่แต่เราจะสร้างคุณงามความดีเราก็เอาวัตถุภายนอกอนะไรอย่างวันนี้แหละเรามาเป็นเจอภาพสวดอภิธรรมถวายท่านอาจารย์แล้วก็เอาวัตถุภายนอกนั่นแหละเอาทรัพย์สินเงินทองนั่นแหละ อันนอันนี้มนเป็นสมบัติโลกเราแปลสภาพจากวัตถุที่มันเป็นของหนักแล้วเราจะเอามาเป็นบุญเป็นกุศลเออเมื่อเราทำแล้วเราละลึกเมื่ อ, อไหร่บุญกุศลก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นอันนั้นอ่ะดังนั้นเรา่านท่ว่ายพยายามทำทุกวันทุกวันบุญกุศลไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระสวดมนต์ก็ตามการนั่งภาวนาก็ตามเมื่อเวลาเราละสังขารตรงนี้หรือว่าละจากไอ กายส่วงออก้องกอกยาวานาคือปัอนี้หรือว่าเวลาเราจะใกล้จะตายนั้นแหละเราจรึงจะรู้ว่าเราจะต่อสู้กันตอนนั้นแหละเมื่อมีอะไรเราก็ลึกนึกถึงหมดแหละถ้าเราไม่ได้สร้างคนงามความดีเราก็ลึก อ, อ, อ, อะไรก็ไม่ได้เราสร้างแต่ความชั่วกับความชั่วแล้วเข้ามาแหละใจก็เศร้ า, ามองและะ้วบันถ้าเราสร้างคุณงามความดีใจเราก็เบิกบานสุขติเป็นที่หวังถ้าเราสร้างแต่ความชั่วสร้างแต่บาปหามแต่บาป ผลแต่บาปใส่ใจไหวมานี้ทุกปติเป็นที่หวังอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นเหตุฉะนั้นท่านต้เตรียมตัวไว้ก่อนอย่าให้เป็นผู้ประมาทให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นรักการรักษาศีลก็ตามการทานก็ตามการภาวนาก็ตา ม, าตา ม, าตามอันนี้เราเป็นสิ่งสําคัญการภาวนานี่แหละเป็นสิ่งสําคัญบุญกุศลเราจะรักศีลรักษาศีลก็ตามให้ทานก็ตามการภาวนานี่ยเป็นธรรมใหญ่ เป็นการปฏิบัติอย่างใหญ่หลวงเลยแหละบุญกุศลทั้งหลายกวมารวมอยู่ที่การภาวนาเนี่ยเวลาเรานั่งภาวนาเนี่ยเราก็ต้องกำหนดพี่นิติจารณาดูศินของเราเขาจะสร้างตึกสร้างบ้านสร้างอะไรก็ต้องทาฐานให้มันแน่นหนาทาวร์ซะก่อนอันนี้ก็เหมือนกันการประพฤติปฏิบัติเราก็ต้องตั้งฐานให้มันแน่นหนาซะก่อนสมาธิมันจึงจะเกิดขึ้นถ้าฐานมันไม่แน่นหนามันมันไม่เพาะไม่ไม่มั่นคง สสมาธิมันก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดความสงบก็ไม่มีนั่นเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เวลานี้ใจของเรามันยังกดแกงมันยังหลงวุ่นวายอยู่ตอนนี้เราจะทําให้ใจของเรามันเป็นสมาธิให้มันมีความสงบให้มีกําลังเราก็พยายามกําหนดพินิจพิจารณาไม่เว่าว่าจะอยู่ที่นี่ก็ตามหรือกลับไปถึงบ้านถึงช่องของเราก็ตามพยายามมันมีเวลาทุทกคนนะหละก า, ารประพฤติปฏิบัติเออ อันเรื่องไม่มีเวลอมเวลานั้นนะ่ะมันเป็นเรื่องของกลมายาของกิเลสเราไม่รู้เพราะว่าเราไม่มีสติเราขาดสติปัญญาเราไม่ไม่มากปัญญาเราน้อยเราพยายามสร้างวันนั้นบ้างสร้างวันนี้บ้างบุญกุศลก็ไหลเข้าไหลเข้าระบันบุญก็เต็มเปี่ยมใจก็เบิก บ, บานเราก็ไม่ได้ห่วงระบันเออเมื่อเวลามาจุราชมาลากมากระซ่าไปเราไม่ห่วงถึงเวลาเราก็ปล่อยไปเสีย เป็นตามการตามเวลาตามอายุไขของเราเราไม่หวงเดี๋ยวนี้เรามันยังหวงยังห่วงอยู่อันนั่นก็ของเราอันนี้ก็ของเราให้เราอน้อมนำพินิษ์พิจรารณาดูสิทรัพย์สมบัติเราเกิดมาก็มาหาเอาทีหลังเออถ้าใครมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดก็ได้แล้วก็อบครองมากมันเป็นอย่างนั้นแล้วไม่ใช่ว่าเราจะมาเอาเนี่ยมันมันเกิดขึ้นมาเองอ่ะเนี่ย พราะเรากองสร้างเอาทำเอาบุญกุศลก็เหมือนกันให้พากันตั้งใจประิปฏิบัติเนี่ยการบำเพ็ญกุศลถวายท่านอาจารย์แพงอตัตจรันตรรโต่อหรือหลวงพ่อแพงนี่ก็จะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงร้อยวันร้อยวันแล้วก็ยังไม่ได้มีกำหนดอยู่หรอกจะทำเอาไปเรื่อยๆไว้ก่อนเพราะว่าโบสถ์ท่านก็ยังไม่เสร็จเพราะท่านเป็นผู้ ดําเนินสร้างมาเออเราก็พยายามช่วยกันลูกศิษย์ลูกหาทุกคนพยายามช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยมันจริงจะเป็นผลสําเร็จบุญกุศลกับเป็นของเรา น, นั่นแหะไม่ได้เป็นของท่านอาจารย์หรอกเป็นของเราไม่ใช่ของท่านเราท่านเป็นเหตุเฉยๆท่านพาสร้างเป็นคนนําเราก็ดีใจอนุโมทนากับท่านด้วยอันนี้เป็นอย่างนี้บุญกุศลมันจริงจะเกิดขึ้นทรัพย์สมบัตินั้นเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยเฉยๆ เราล่าจากนี่ไปแล้วก็เป็นของคนอื่นเป็นของลูกของหลานเป็นของคนอื่นไปเสียความมันเป็นสมบัติโลกถ้าเราประมาทเราก็ไม่ได้อะไรถึงว่ามีทรัพย์สมบัติมากมายกายกองแต่เราก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะเป็นห่วงเป็นห่วงอยู่นั่นแหละเมื่อตายไปแล้วก็มาเฝ้าอยาู่นั่นแหละหรือวรว่าปูโสมเฝ้าทรัพย์ไปไหนก็ไม่ได้นะั่นแหละนั้นเป็นอย่างนั้นพราะเราขาดการพินิจพิจารณาขาดการ น, น้อมระ ล, ลึกถึงมันก็เลย ไม่ได้อะไรมีมากก็เลยไม่เกิดประโยชน์แต่ว่าก็ไม่ใช่ประมาทนะรับสมบัตินี่ก็เป็นปัจจัยเครื่องอายสายแต่ถ้าเราประมาทมันก็เป็นโทษเจ็บใจของเรานั่นแหละไม่เป็นโทษเจ็บคนอื่นอันนั้นเหตุนั้นให้เราตั้งใจทุกคนที่มาวันนี้ก็ เ, เพื่อบุญเพื่อคุณศนั่นแหละเพื่อคุณงามความดีจึงได้ออกมาเป็นเจ้าภาพ ตรวจอภิธรรมถวายทางวัดก็ถวายทํามาอยู่เรื่อยๆตั้งแต่วันนั้นแหละวันท่านมรณะภาพมาเออเหตุอันนี้มันเป็นเหตุปัจจุบันอย่างอัตมามาอยู่นี่มาม า, มางานหลวงปู่นั่นแหละเออมางานมาดูงานหลวงปู่เผื่อว่านั้นแหะท่านก็เลยนิมนต์ให้อยู่ด้วยกันอัตมาก็อยู่มาเรื่อยๆก็เลยตั้งสัจจะว่าอยู่อัตมาเนี่ว่าถ้าว่าตั้งสัจจะแล้วต้องอยู่เออ แตเป็นยังไงก็ต้องอยู่เออแต่จะให้รับหน้าที่อัตมาไม่เอาอยู่เป็นประมุขกอดทานดูแลเฉยเฉยนะเพราะเบื่อมาแล้วเรื่องนี้อัตมาไม่หวังราบศักดิ์ละอะไรเลยทุกอย่างไม่เอาเออหวังแต่คุณงามความดีแค่นั้นแต่วันที่สิบสามนี่อัตมากลายเป็นเจ้าภาพเออสวดอภิธรรมถวายเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าเคยอยู่ด้วยกันรวรวม งานด้วยกันตั้งแต่ไปอยู่บนนั่นแหละท่านก็เคยไปอยู่ด้วยท่านบวชใหม่ๆอาตมาก็ไปเป็นครูสอนประททิยติธรรมอยู่นั่นเคยไปเรียนบาลีด้วยกันที่อาตมาเรียนก็เคยเรียนมาได้ละแต่พาเขาเรียนพาพระลูกรุ่นน้องเขาเรียนมีอาจารย์ท่านมหาทองใสท่านไปอยู่ด้วยก็เลยชวนเรียนเรียนก็ไม่ได้อะไรหรอกเดี๋ยวก็ เ, ก เ, ล, เลิกเพราะมันมีงานนั่นแหละ แล้วนอกจากนั้นก็เลยแยกย้ายก็ไปอยู่คนละทิศคนละทางเออนั่นแหะเป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าโลกนี้มันกลมเป็นวัฏฏะบนมามาเจอกันอีกเออก็เลยได้มาร่วมงานกันไมนึกว่าไม่นึกว่าท่านจะจากเราไปง่ายถึงขนาดนี้อันนั้นก็ท่านไม่ห่วงเราท่านอาจารย์นั่นน่ะท่านพินิษฐิจารณาอยู่ทุกคืนทุกวันท่านดูอยู่ท่านรู้อยู่ท่านไม่ห่วงเราล่างกายอันเนี้ยอันละไปได้ไม่เหมือนเราเราเนี้ยไปห่วงไปห่วงเออ เก็ น, นิดในหน่อยปวดนิดๆในหน่อยก็สู้ไม่ได้วิ่งเข้าหาแต่หมอผลสุดท้ายกับหมอเขาก็ตายเหมือนกันอันนี้เป็นอย่างนั้นถ้าเราพินิษพิจารณาเหตุนั้นท่านต้งให้ภาวานาให้กําหนดให้ดูดูเจ้าของนั่นแหละไม่ไป ด, ดูคนอื่นพินิษฐพิจารณาให้มันเห็นตามสภาวะความเป็นจริงแล้วเราก็จะได้แต่บุญได้แต่กุศลนั่นแหละจะเกิดขึ้นที่ใจของเราเอาเอาละพอเวลาพอสมควรว่พาพระป่านีไม่เป็นอย่างนั้นนะ พูดไปเรื่อยๆบางทีไม่มีที่ลงเลยแหละเออนั่นอ้าแค่นี้แหละต่อไปก็จะเนเื่งถ้ามีอะไรก็มีอาหารรับประทานกับที่ลงกลัวนั่นแหละเห็นแม่พอัวก็ทำอยู่พาะญาติโยม <c oughs> เราเนี่ยวันนี้มเป็นวันพระเออทำท่าน ส, ม, านสมมุติว่าเป็นวันพระ แต่มันพระทุกวันนั่นแหละมันประเสริฐทุกวันพอเราสร้างคุณงามความดีพอไม่สร้างคุณงามความดีมันก็ไม่ประเสริฐหรอก พ, อพรนภเพื่พรประเสริฐพระเขามาจัดประเสริฐนั่นแหละไอ้เลี่ยนอธิยาบทก็กนของขอ ง, องน้ําของท่า